วันนี้ใครว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานตอนเชาน้ายงมือขึ้น<ม>ปฏิบัตินยะรู้สึกดีขึ้นกว่าเมื oh, ม่อวานโอ้ทังเยอะเคยได้ยินคำว่าทำทั้งหลายอยู่ที่ใจมนุปพังคมาธรรมมาทำทั้งหลาย เกิดที่ใจดับที่ใจคำว่าทำทั้งหลายนี่ทั้งหมดเลยนะทั้งห่วงทั้งเหาทั้งเจ็บปวดทั้งเมื่อยทั้งคิดทั้งนิพพานทั้งนรกทั้งสวรรค์ทำทั้งหลายอยู่ที่ใจคาสอนพระเจ้าแล้วยังไปหาข้างนอกอยู่อีกนะมโนปุพังคำอาตมมาเนี่ย เราศึกษาแบบหนึ่งแต่เวลาเราทําไปหาอีแบบหนึ่งถ้าเราเชื่อแบบนี้นะเวลาเราปฏิบัติทำเนี่ยเชื่อว่าทำตั้งหลายอยู่ที่ใจเนี่ยลุยที่ใจเลยกําหนดรู้ที่ใจเลยศึกษาที่ใจเลยอยู่ที่ใจก็จฝึกจิตและลึกรู้อืเข้าใจว่ามันเป็นอยู่มันอยู่ที่ความรู้สึกแล้วก็ปรับเปลี่ยนความรู้สึกนี่แหละสุขทุกข์ดีชั่ว ชอบชังสุขทุกข์ถ้าปรับได้เมื่อก็จะกลายเป็นเกิดปีตินะเกิดปีติเกิดสมาธิขึ้นมาอย่าไปคิดหาเหตุหาผลอะไรเลยนะอยู่ที่ใจเนี่ยไม่ได้หมายเขาว่าอยู่ที่ความคิดนะอยู่ที่ใจใจ ก็คือความว่างนั่นแหละใจก็คือความสงบนั่นแหละใจก็คือความปกตินะฮะหาภาวะที่มันเป็นใจจริงๆที่มันเป็นกลางๆจริงๆที่มันเป็นความสงบจริงๆแสดงว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่มันมาปกคุมเนี่ยมันไม่ใช่ใจนะแต่มันเป็นอาการของใจอาการที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเนี่ย แต่ใจจริงๆคืออย่างที่ฟังลุตายพูดอยู่เนี่ยใจมันเฉยๆมันนิ่งมันสบายๆแต่อีกสหน่อยมันมีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาน่ยแสดงว่าอารมณ์อย่างอื่นมันไม่ใช่ใจแต่มันอาศัยใจเกิดเดิมทีมันไม่ได้มีอยู่ที่ใจนั้นเราก็เริ่มต้นแบบนั้นแหละเออมันไม่ใช่ใจนะเนี่ยไอ้เนี้ย แต่มันเป็นอารมณ์ที่มาอาศัยใจเกิดมันมาเกิดกับใจเราเราลองเฉยเฉยเหม่ดี้เรากลับมาสู่ใจเดิมๆเราได้ไหมกลับมาบ่อยๆคนปฏิบัติทําก้าวหน้าก็ไม่ได้ไหมายว่าต้องรู้แจ้งรู้นั่นรู้นี่อะไรมากมายหรอกไม่ไม่แล้วก็วัดตรงที่เออมันทุกน้อยลงไหมอย่างที่โวงตาถามวันนี้นี่เป็นไงบ้างดีขึ้นก่อเมื่อเช้าดีกว่าเมื่อวานในวันนี้ก็ดีขึ้นบางทีมันก็ไม่ดีนะบางวันมันก็ดีบางวันกลับไม่ดี มันไม่เที่ยงมันกลับไปกลับมาเรายังปรับให้มันเที่ยงไม่เป็นนะมันยังมีวมไอ้ที่ว่ามันดีบ้างมันไม่ดีบ้างนี่คือตามไปก็ตามแนะ่ะที่มนุษย์เรายังมีความหลงอยู่เนี่ยมันต้องไปแบบนี้แหละคือมันหลงหลงสุขหลงทุกข์หลงได้อารมณ์หลงเสียหลงมันจะกลับไปกลับมาอยู่แเราก็กลับมาดูมาสังเกต ด, ดูภายในอยู่เรื่อยเมื่อไหร่นู่นแหละ เราหยุดหลงนั่นแหละคําว่าหยุดหลงก็คือมันต้องรู้แจ้งทั้งหมดมันถึงหยุดหลงคนไหนดูลงตาเทศคนนั้นก็จะได้ลุกไปแล้วคนไหนไม่ดูสมาธิหลายก็ไม่ได้กินข้าวแล้วมัวนั่งหลับอยู่ดิ่งบางคนก็ไม่อยากให้อารมณ์มันมาแตะมาต้องนะประคองสติดีๆก็อนุโมตนานะควรู้สึกแบบนั้นก็ ส, สมไป ทำถูกหมดแหละเพียงแต่ว่าอย่าไปยึดอะไรสักอย่างอยู่กับเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆความวิเวกมีอยู่สามอย่างนะเดีย๋ยวเรามานี่มาสอนค่ะความวิเวกกายวิเวกจิตตะวิเวกอุปธิวิเวก กายวิเวกก็สงบดีและไม่ต้องทำธุรกิจหน้าที่การงานอะไรให้มันสงบสงับขึ้นมนเป็นกายวิเวกห่างจากธุระหน้าที่การงาน น, นีต่อมาคือจิตตวิเวกจิตวิเวกก็คือสมาธิเริ่มมีสมาธิละใจเริ่มเป็นสมาธิฝึกไปมันวิเวกวิเวกจะอะไรวิเวกจากโทสะโมหโลภะวิเวกจากความคิดความปรุงแต่งเริ่มสงบสงับละไม่ค่อยคิดอะไร ส่วนอุปธิวิเวกก็คือสั ง, งัดจากอุปทานส ง, งัดจากอุปทานอุปทานความยึดติดอันนี้คือต้องเกิดปัญญาอันเนี้ยต้องเกิดการรู้แจ้งสามารถทำลายกิเลสได้จึงจะเป็นสั ง, งัดจากอุปทานแต่เรามานี่มาสั ง, งัดนะเดี๋ยวนี้มันยากลาบากปฏิบัติธรรมไปอยู่ที่นั่นที่นี่มันก็ไม่ค่อยวิเวก พรอมีคนรู้จักนะเราว่าเออปลีกวิเวกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยวิเวกละพกคนไปหาอย่ามาปฏิบัติธรรมเอา้าหลงตายอยู่ไหนมาปฏิบัติธรรมด้วยนะนั้นอุปธิคความวิเวกต่างนอกก็น้อยนะ้อยแต่อาศัยว่าเราฝึกสติฝึกสมาธิมันก็จะมีสมาธิวิเวกหน่อยนะ อุปถิวิเวกเนี่ยต่อไปกายวิเวกมันจะหายากมันจะยากก็เรื่อยๆเพราะสังคมมันจเจริญมันใกล้ตัวเรื่อยๆขนาดเรามาอยู่คนเดียวเนี่ยโทรศัพท์มันก็ยังวุ่นวายอยู่มันวิ่งเข้ามาหาใจเราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวต้องโทรนั่นเดี๋ยวต้องโทนี่อยู่นะเนี่ยมันไม่วิเวกนะ เราทำปฏิบัติธรรมนี่ก็ฝึกการให้เกียรติคนอื่นนะเนี่ยเราถือว่าโคนนั้นมีศีลคนนั้นสงบกว่าเรานิ่งกว่าเราเราไม่ได้นับถือตามอายุตามความร่ารวยตามวัยวุฒิุนวุฒิแต่เราถือตามศีลตามธรรมเนี้ยหรือคนอื่นอาจจะไม่สงบไม่สงัดแต่เราก็เคารพธรรมในใจเรา ความความสงบสงัดนี้นเพื่อให้จิตเราสงบนะ mm hmm. เราไม่ได้แสดงอาการให้คนอื่นเห็นแล้วมาลุกตุง้งตังใส่คนนั้นคนนี้แล้วอันนั้นยิ่งโง่ยง่กับอารมณ์เราเองยิ่งจิตเรายิ่งตกต่ำลงไปเรื่อยๆ mm hmm. มันบอกว่าเราร้อนข้างใน mm hmm. สติเราไม่มีสติควบคุมจิตไม่ได้นี mm ่ hmm. เราไหลตามกระแส คือกระแสอะไรกระแสโลกกระแสโลกก็คือโลกธรรมอะลาบยศเสรเสริญสุขมีตัวกระแสขับเคลื่อนความวิ่งคือความโลภโกรธหลงเราจึงมาทําให้มันสงบอะเ น, นี้ยสงบเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีความวิเวกยังไงเดี๋ยวนี้ยากคนจะวิเวก แต่ถ้าทําเป็นนั่อยู่ในกรุงเทพพอวิเวกได้ถ้าเราฝึกดีกลับไปอยู่กรุงเทพเอา้าวมันสงบเองโดยธรรมชาติเพราะเราไม่ยุ่งกับความปรุงแต่ง <c oughs> แต่ถ้าอยู่ป่านี้ก็ยิ่งยากบางทีเนี่ยยุ่งยากจะไปอยู่ในที่สงบจะเวกขนาดไหนก็ตามเพราะจิตเรามันไม่สงบเพราะไม่สงบกเง่อนไขอย่างอื่นก็วิ่งทข้ามาปัญหาโดยเฉพาะโทรศัพท์นี่แล้ว คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ทุระนั่นที่ไม่เกี่ยวกับ น, นิพพานสักตัวเลยนะไอ้ที่คุยนะเรื่งกิเลสหมดเลยแหละทุระข้างนอกหมดนะอันพอไม่มสงบเนี่ยเม่ทุดดงก็ถา่ะไปทุดดงเดี๋ยวนิพพานทุดดงหลายแห่งนะไปโอตาเห็ น, นะหนมีดเจโทรศัพท์ทุดดงก็นะ นั้นไปให้มันห่างไกลมันกลับไม่ห่างไกลยิ่งยุ่งอีกโยมมาทําบุญก็โยมฝากโทรศัพท์ไปชาร์หน่อยนะพระทุดงนะเนี่ยฝากโทรศัพท์ไปชาร์ก็ยิ่งหนักเขาไปอีกนะชีวิตเนี่ยเหมือนเสือที่ถูกขังเนี่ยอารมณ์มันยิ่งมากขังมันดีหิวเยอะเหมือนกันนะ่ะถ้าเราอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกเนี่ย แต่มันไม่เสือแบวิเวกจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเสือถูกขังแต่มันอนีโอกาสเนี่ยยิ่งมากนั้นอาศัยเวลากว่าจะปรีตัวมาปฏิบัติทำได้กว่าจะมาอาศัยความสงบสงัดที่อยู่ป่าไปนี้ได้เนี่ยโอ้ยยากมากมันไม่ปล่อยอะ่ะกิเลสมันไม่ปล่อยเราพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติการก็เขาปล่อยเรายากนันมีเวลามาแล้วเนี่ยหน้าที่การงานก็ มาได้ระดับหนึ่งแล้วรีบทำตั้งใจทำอาศัยความสงบสงัดความวิเวกวิความอะไรนะ่ะโอกาสเ็าเรียกว่าโอกาสที่เราได้เนี่ยใช้มันเป็นประโยชน์ทังนั้นเราขอจะเท่ากับอยู่กรุงเทพกับการมาอยู่วัดสงฆ์วัดป่ามหาปัญโยเนี่ยจะเท่ากันเลยไม่มีคุณค่าอะไรกับชีวิตเราเลยเพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความสงบสงัดวิเวกอันนั้น แต่ถ้ามาอยู่<ม>ก็ได้แต่อยู่แต่ความสงบเฉยๆอันนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่ได้ให้สงบตามธรรมชาติแบบนี้นี่มันต้องสงบด้วยปัญญาหมายความว่าปฏิบัติธรรมมาแล้ ว, ลวเราฝึกจิตฝึกจิตกระทัง่งเราได้ความวิเวกที่เกิดจากอุปธิวิเวกคือสังัดจากอุปทานที่อยู่ในใจเราได้ มันจึงจะเป็นประโยชน์เวลาเราเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอุปทานตัวนี้ก็ยังสงบอยู่ดีอุปทานอย่างรูปรสกลิ่นเสียงคําพูดดีไม่ดีถูกกระทบกับทั้งกับเราเนี่ยก็สงบอุปทานเรามันไม่ฟูขึ้นมาไอ้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ฟูมันไม่แสดงอาการออกมาเพราะอะไรเพราะอุปธิอุปทานมันสงบแล้วมันสงบสงัดแล้ว มันนิ่งแล้วแต่ถ้ามันไม่นิ่งมันจะขึ้นมาโดยเฉพาะคนปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยมันจะดูออกใครสงบไม่สงบอะไรประมาณนั้นนะคือจะดูง่ายว่าจิตตอนนี้เป็นไปนี้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้จิตสงบไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่า อ, เ, อ, อเราไม่ได้มีความมุ่งหวังว่าปฏิบัติธรรมให้จิตมันสงบแต่การที่เราแสดงอะไรออกเยอะๆเนี่ยมันเหมือนว่าเป็น เป็นหน้าเป็นตาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์อย่างทางโลกโกเนี่ยถ้าแสดงอะไรออกมาโอ้คนนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนาะผู้มีอิทธิพลนะแต่ทางธรรมเขาจะเน้นสมบัติอันใหม่นัตถิสันติพลังสุขขังหาความสงบถือว่าเป็นสมบัติมาหาศาลหาความวิเวกถือว่าเป็นสมบัติอันโอรารสำหรับผู้ใฝ่สันติภาพกับชีวิต ้เราก็อาศัยการฝึกฝนเฝ้าดูที่เล็กแน้อยดูเล็กแ้น้อยเข้าไปเรื่อยๆบางทีไม่มีอารมณ์อะไรเลยปฏิบัติธทำเนี่ยสงบดีมากสบายนะยิ่งถ้าเราได้อารมณ์บ่อยๆหลายครั้งหลายครั้งเข้ามาเนี่ยจิตมันจะสงบง่ายแต่วันมาหนึ่งไม่เคยได้อารมณ์สักทีคําว่าได้อารมณ์คือได้อารมณ์จิตที่มันตื่นนะ ลำพังเราอยู่ด้วยเฉยๆไปเฉยๆแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้ามันไม่ได้อารมณ์กรรมฐานปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยความสงบเนี่ยมันจะไม่คงที่แล้วมันไม่ค่อยอยู่ตัวตเวลาอุบัิเกิดขึ้นเนี่ยมันวูบขึ้นแนนี่ดีภาวะอันนั้นนั้นเขาจึงอาศัยว่าปฏิบัติให้ได้มากเข้ามากเข้ามากเข้าจะเห็นว่า เ, าเราอยู่เนี่ยง่วงก็ไม่มีฟุ้งซ่านก็ไม่มีมันสงบเรื่อยๆเรืยเราก็มาเฝ้าดูไอ้ตัว ตัวที่มันจะคอยไหลออกมาเนี่ยไหลออกมาจากจิตนะนานๆที่มันไหลออกมายิ่งดีเนี่ยเพราะว่ามันมีน้อยเรายิ่งจะให้ทันมาเลยใหม่ๆมันออกมาเนี่ยมันจะไม่ทันมันเราแก้ไม่ได้แต่มันก็ให้มันผ่านออกไปเร็วขึ้นแต่รู้ว่ามันยังมีอยู่ในใจรู้ว่ามันมีอยู่ในใจแต่ว่ามันดับมันไม่ได้แต่ก็เฝ้าดูเอาเฝ้าดูเฝ้าอะไรลูก จนทั้งว่ามันเล็กลงเล็กลงเล็กลงน้อยลงน้อยลงนั่นแหละจนทั่งว่ามันนิ่งมันสงบแล้วรู้สึกว่าอุปธิมันมันหายไป